อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันอีอกแล้วนะคะสําหรับรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่16กันยายนค่ะเราได้พบท่านฟังเป็นประจําแล้วก็สนทนาพูดคุยหรือเรียกว่าสากาักษาในรายการธรรมารัปรุณเช้า ว, วันเสาร์ ว, วันอาทิตย์เป็นประจําทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่16กันยายน พุทธกราช2555ค่ะวันนี้ก็เป็นวันขึ้นหนึ่งาำนะคะเดือน10แล้วค่ะปีก็ปีมะโรงเหมือนเคยนะคะค่ะก็ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วสําหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่ส6นี้นะคะอย่างที่เดนเดอร์เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้คือเช้าวันเวสาร์ว่าเราอยังมีปัญหาที่ท่านที่มาปฏิบัติธรรมหมายเลข49ได้เขียนถามไว้แล้วก็คิดว่าเป็นคําถามที่คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอย่างมากเนี่ยนำมากราบนมักการเรียนถามพระอาจารย์พบูลนภิบุโ น, โโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์อ ง, องคงป์ปาโถก ว่าเป็นพระอาจารย์ผู้เป็นให้ความรู้แก่พวกเราในรายการธรรมระบรุนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียแงแห่งประเทศไทยเป็นประจำนะคะท่านาเป็นผูน้อำนวยการหลักสูตร ปฏิบัติทมปริกเล้นตามพุทธโอดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคุณสิทธิปพากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะและสำหรับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนั้นเนี่ย ดีฉันก็อยากจะข อ, อนําท่านฟังมากราบนมัสการท่านเลยดีกว่านะคะแล้วก็มาฟังคําชี้แจงของท่านในประเด็นต่อไปที่คุณหมายเลขสาม่สิบได้เขียนถามมานะคะเพระาะเมื่อวานนี้คุยกันไปเรื่องของการเข้าสมาธิและออกสมาธิอย่างฉลาดอย่างไรแล้วพระอาจารย์ก็ได้แนะนําถึงคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะมีสติมีสมาธิที่ดีนั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างมี6ข้อด้วยกันนะคะนำมากราบน้ำสการท่านกันเลยนะคะกราบน้ำพสการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะเผื่อว่าใครเมื่อเช้าเมื่อวานไม่ได้ตื่นมาเ mm. นี่ยเจ้าค่ะบ่ฟังโยมเกิดมาอย่างนี้อาจจะอยากรู้ว่าไอ้หข้อที่พระพุทธองค์ได้ทรงจัดไว้ในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิที่ดีเป็นอย่างชานฉลาดนั้นเนี่ยพระรอาจารย์เมตตาที่จะสกักษาเร็วๆหกข้อจากนั้นจะขอถามในข้อต่อไปที่เรียกว่าเป็นลูกสอนเนี่ยเจ้าค่ะพระทธงเปรียบ mm. เรื่องของการเข้าสมาธิหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเหมือนลูกสอนเนี่ยคำถามข้อที่2อเนี่ยอยากทราบความหมายว่ามันเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนเจ้าค่ะเจริญพรก็พูดถึงเจ้านี้ก่อนว่าการเข้าสมาธิกับน อ, อกสมาธิใช่ไหมที่พระเจ้าบอกไอ้เรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยเป็นเหตุของการทําให้จิตมีกําลังนะถ้าเป็นผู้มีอานาจเหนือจิตถ้าเราต้องการจะเป็นผู้มีอานาจเหนือจิตเรืยังคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายบ้าบอ อ, อยู่ อย่งเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำไมเราเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไม่เอาสัตว์ป่าเสือโครง่งเสือดาวพวกนี้มาเลี้ยงเพราะว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องเหมือนเะช่นเดียวกันจิตของเราถ้าจิตเป็นจิตที่เลี้ยงไม่เชื่องไม่ฟังคําสั่งไม่เกิดประโยชน์ต่อให้มันจะแข็งแรงจะมันดีขนาดไหนก็ตามเพนะราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฝึกจิตของเราเนี่ยให้ดีเนี่ยคุณต้องทํา6อย่างนี้ให้ได้นะคือฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกฉลาดในการดํารงอยูนะ่เป็นผู้ที่ทําโดยติดตอ่อทําโดยเอื้อเฟื้ อ, อทําโดยสบายก็เนระียกว่ารู้ธรรมะอันเป็นที่สบายแก่สมาธิ โอบอย่างนี้จะทําให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดในอำนาจเหนือจิตก็เรียกว่ามีอํานาจเหนือจิตแตนะมี่ออำนาจจิตแล้วเราก็สบายละนะจิตเราไม่มีอํานาจเหนือเราเราเป็นหัวหน้าสั่งการได้หมดชุดค่ะทีนี้มาถึงคําถามถัดไปที่ผู้ปฏิบัติได้ถามมาก็คือเกี่ยวกับลูกศรนนะลูกศรตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยท่านเจ้าใช้ในการที่พูดถึงตัณหาตัณหาเนี่ยคือความทยานอยากกุญแจใจชุดค่ะความทยานอยากเนี่ย มีมีลักษณะเป็นลูกศรเป็นลูกศรที่อาบยาพิษด้วยนะลูกศรเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เคเ ค, เคยเห็นกันใครเห็นไอ้ลูกดอกที่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่ปลาเป้าอ่ะดาจเจ้าค่ะดาจ ด, ดาจลูกดอกเนี่ยนะเจ้าค่ะมันปลายนี่มันแหลมเปียบมากเลยเจ้าค <c oughs> นะ่ะแต่นี่โอ้โหเหมือนกับปลายเข็มแล้วแข็งด้วยแล้วก็แบบว่าแหลมด้วยนะถ้าเราไปโดนมันเนี่ยโอ้โหเจ็บแน่นอนนะโดนเบาๆแบบมีดโกนเนี่ยนะ ไม่ต้องโดนแรงนะโดนเบาๆเนี่ยอย่างพระเวลาโกนผมใช้มีโกนใช่ไหมโดนเบาๆปุ๊บเนี่ยเลือด ก, กระฉูดเลยนะแตนะ่ถ้าถ้าไม่ระวังเราต้องคอยระวังมากๆเลยเวลาจับไปพวกนี้นะลูกศรก็คือตันหานั่นเองอย่าไปใกล้มันเอาไม่ต้องคุณไม่ต้องบาดลึกก็ได้เอาแค่แต่นิดเดียวเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยนะอเผอิญว่าลูกดอกนี้เป็นลูกดอกอาบยาพิษโอ้โหยาพิษมันนี่คืออะไรยาพิษมันคืออาวิชาคุณเตือใจ แล้วพอมั น, ม, นมีอวิชาปัญยาพิษเนี่ยพิษของมันเนี่ยมันยังไม่ออกฤทธิ์ให้เราเจ็บจนกระทั่งเมื่อเราไปทำสิ่งที่ เ, เ, รเราพลาดจากสิ่งนั้นอย่างเช่นอะไร เ, เช่นถูกขับรถปาดหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้น้วเราขับรถมาดีๆแหมคิดว่าทุกคนต้องอยู่ในกฎจราจรบ้านเมืองรถติดบ้างอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่เพล อ, อมีมอเตอร์ไซค์ปาเอาีเอ้ดมาปาดหน้าเรานะหรือว่ารถ เ, าเก๋งก็ได้รถธรรมดาเนี่ย เราจี้ขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือว่าถูกพิษเนี่ยพิษเนี่ยมันออกฤทธิ์แล้วแต่ตอนที่เราถูกยิงตอนที่พิษมันแล่นเข้าไปตามร่างกายเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเลยแต่ ว, ว่าเราถูกยิงตอนไห น, นคือลูกดอกตรงนี้นะอ่าเป็นลักษณะว่าพอพ อ, พอยิงปุ๊บเนี่ยลูกดอกมันหายไปแล้วน ะ, ค, ค, ะคือคุณตาใจเคยเห็นธนูใช่ไหมคคเวลานักรบเนี่ยเขายิงธนูปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกกาทันเนี่ยมันหักออกไปเหลือแต่หัวค้างอยู่นะหรือว่าลูกปืนอย่างเงี้ย ลูกหัวกระสุนเนี่ยมันฝังเข้าไปในเนื้อเนื้อเนื้อเราแล้วเน้อตัวมันหายไปแล้วตัวมันถูกติดออกไปแล้วเนี่ยหรือว่าลูกดอกเนี่ยมันปักปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันฝังเข้าไปในเนื้อเราแล้วไอ้ตัวขนตัวหางอะไรมันหลุดออกไปแล้วนะแล้วพิษเนี่ยมันเล่นไปตามกระแสเลือดนะมันเล่นไปตามกระแสเลือดอย่างเช่นเจ้าอ่าเชื้อมาเรียอเงี้ยนะถ้าใครมีเชื้อมาลาเรียอยู่เนี่ยมันตรวจหาไม่เจอนะนะแต่พิษมันยังมีอยู่แต่เราหาไม่เจอแล้วมันจะออกรึเมื่อไรมันออกริทตอนที่มันอยากออก มันอยาออกตอนไหนมันออกตอนนั้นนะต้นหาเนี่ยมีลักษณะไหลหนองนะเป็นเครือข่ายแผ่ซ่านอีลุงตุงหนังยุ่งเหยิงเหมือนรังนกใครเห็นรังนกบ้างไม่ใช่รังนกที่ที่เราเอามากินอย่างนี้นะเมื่ออาทรังนกที่อยู่ตามต้นไม้นะใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากที่วัดป่าดอนไสโคนะแล้วลมแรงมากเลยก็รังนกสองสามรังเนี่ยคุณตนใจมันหล่นลงมาแต่มาก็หยิบมาดูแต่ลูกเลือกอะไรมันไปหมดแล้วนะ โอ้โหมันเอาหญ้าบ้างใบไผ่บ้างต้นอะไรบ้างเราก็ไม่เคยเห็นมาสอดเสียบกันไปหมดยุ่งเหยิงอีหลงตงุงหนางมากเลยนะหรือบางคนเคยเห็นถนนสีลมสมัยก่อนเนี่ยสายไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหอีหลงตุงนางมากเลยนะ ส, สมัยนี้ก็คงจะมีอยู่ตามสี่แยกบางสี่แยกเนี่ยยิ่งสี่แยกที่บ้านนอกบ้านนอกหน่อยเนี่ยนะสายอินเทอร์เนต็ตอะไรสายโทรศัพท์สายไฟฟ้าเลยพาดกันยุ่งเหยิงไปหม ด, ดนี้คือลักษณะของตันหาที่มีความยุ่งเหยิงอีหลงตงุงหนังขนาดนี้ ถ้าเปรียบเทียมก็เหมือนยาแฝกหรือยาแพรกนะยาแฝกเนาะยาแฝกที่ว่ามันยุ่งเหยิงมากเลยนะมันไม่รู้สามารถสาวว่าเป็นสายไหนสายไหนได้ น, นี่คือลักษณะของความยุ่งเหยิงของตัณหาแต่เพราะนั้นตัณหาเป็นสิ่งที่อะไรพระเจ้าบอกให้ละนะเอามันออกไปอย่ามีอยู่นะถ้าเราบอกว่าเราอยากมีความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์แอดคุณผิดละเพราะอะไรเพราะความอยากเนี่ยมันจะไมาเด้ทุกข์ถ้าเราอยากมีสุขแล้วไม่อยากมีทุกข์ กระบวนการการคิดของคุณผิดทันทีคือถ้าเราเอาพูดอย่างนี้เราแบ่งเป็น4ส่วนอยากสุข1น่สองใช่ไมไม่อยาก3มทุก4อยากสุขอยากคือ1สุขคือ2ไม่อยากคือ3ทุกคือ4ใช่อยากสุขไม่อยากทุกใช่ไหมก็คือ1 2 3 4อใช่อยากคือ1่สุขคือ2ไม่อยากคือ3ทุกคือ4ก็คือ1 2 3 4อย่างี้นะ เอ่อหนึกับ2คุณต้องการแต่3าสคุณไม่ต้องการอันนี้คุณไม่ถูกเข้าใจผิดเพราะว่า1กับสต่างหากที่เราต้องละหนึ่งกับ3คือไรความอยากกับความไม่อยากเป็นสิ่งที่เราต้องละนะแต่2กับสคือไรทุกข์กับสุขสุข ก, กับทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะถ้าเราแบ่งถูกนะคือแทนที่เราจะตัดตามนอนใช่ไหมเราตัดตามขวางนะคือเอา1กับ3รวมกันแล้วทิ้งไป2กับสทําความเข้าใจให้มันถูก ไม่ใช่เอา1กับ2เอาไว้3ากับสโยนทิ้งไปไม่ได้เราทําไม่ได้นะเพราะว่าไอตัว3กับตัว1เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เราจึงต้องทิ้งมันไป3กับ1คืออะไรตัณหาคือความอยากมีความอยากเป็นนะความอยากที่จะไม่มีความอยากที่จะไม่เป็นเรื่องของตัณหานี่ผู้เช่าบอกว่าเป็นเหตุของความทุกข์มากเลยเ อ, อย่างถ้าเราพูดถึงความความที่ตัณหาเนี่ยนะ แค่โดนดอกเดียวเนี่ยโดนดอกเดียวเนี่ยนะคุณเตยใจมันทําให้เราทุกได้มากจริงในอย่างเช่นว่าเราถูกรถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเป็นต้นเนี่ยนะเราก็จะคิดว่าโอ้โหกฎจราจรเป็นอย่างนี้ทำไมเธอทําทผิดกฎจราจรเราจะจี๊ดัะทีหนึ่งเราก็ยังคิดต่อไปอีกว่าแสดงว่ามันนี่เหมือนกับว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เคยบอกสอนหรือเปล่านะนี่จีด๊ดละอีกสองนะะคนแบบนี้ถ้ามีลูกนี่ลูกมันจะโตเป็นไงประเทศชาติเราจะเป็นยังไง3ามสี่แล้วโดนแล้วนะ นี่ตำรวจที่เขาอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นจะทําอะไรบ้างเลยเหรอห่าแล้วนะนี่ตำรวจมันเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศเรียกว่า6กแล้วนะคุณโดนแล้วนะ <c oughs> คุณแค่โดนดอกเดียวมันไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่นะ <c oughs> พุทธเจา <c oughs> พูดถึงร้อยแปดดอกนั่นะคือตันหาคุณโดนดอกเดียวเนี่ยมันไหลแผ่ซ่านไปรนะ้อยแปดนคือเรียกเคยได้ยินไหมตันหาร้อแปดเจ้าค่ะอันนี้เป็นพุทธพจนะ์นะไนที่พุทธเาบอกว่าตันหาวิจริตเนี่ยมีทางเล่นไปได้ถึงร้อยแปดทาง ร้อแปดทางทางไหนบ้างนาก็คือ36ทางแรกก่อนหนาารพระเจ้าพูดถึงในเวลาที่เราโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราต้องมีเราต้องเป็นเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราเพึ่งเป็นอย่างอื่นความคิดต่างๆเหล่านี้เป็นที่แล่นไปของตัณหาคือถ้าคุณมีตัณหาโดนดอกเดียวปุ๊บไอ้จิตที่ไหลไปคิดตามอํานาจของตัณหาพิษที่คุณโดนเนี่ยมันจะไม่หลุดจากเครือข่ายนี้ร้ออันนี้ คุณไปทางไหนคุณก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างปลาเนี่ยที่เขาถูกอ้อมล้อมอยู่ในอวนเนี่ยนะคุณจะเล่นไปทางซ้ายเหนือใต้ออกตกตะวันออกขึ้นลงคุณจะก็อยู่ในอวนหมดนะแล้วอวนเนี่ยมันก็ค่อยรัดแน่นเข้ารัดแน่นเข้ารัดแน่นเข้าจนกลายเป็นปลากระป๋องตายสันติโทษค่ะเพราะ <c oughs> นั้นเราจึงต้องหลุดออกจากตนาให้ได้นะถ้าไม่งั้นเราก็จะถูกมันรัดรึงแล้วก็อีลุงตรงหนังนะใคร คุณตั้มีไอ้สายหูฟังใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาแถมกับไมค์ก็ไอ้โทรศัพท์เยอะแยะใช่ไหมไอ้สายหูฟังเนี่ยถ้าเราเก็บใส่ใ น, นกระเป๋า เ, าเก็บไม่ดีเนี่ยโอ้ยเออออกมาเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยโอมันยุ่งเหยิงอีน่งตุ้งนางมากเลยก็ค่ะเนี่ยคือจิตของคนที่มีตัณหาแล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะพอไหลไปตามหน้าของตัณหาปุ๊บเนี่ยงักเลยแงกเล ย, เลยนิ่งเลยเดี่ยงเลยนะเนื่องาะความที่คุณไหลไปอยู่ในร้อยแปดอันนี้ไม่สามารถหลุดออกจากเครือข่ายของมันได้ลิงนะเราเล่าเคยยกตัวอย่างลิงนะ เขาเอาไอ้อาหารลิงวางไว้ตรงกลางแล้วข้างๆรอบๆเนี่ยเขาก็ทากาวดักลิงเอาไว้เหมือนกับกาวดักหนูหอย่างนะพอลิงมันจะเข้าไปหยิบอาหารเนี่ยเท้าขวามันก็ติดหนึบเอ้ยติดกาวมีกาวมันก็ดึงๆๆดึงดึงดึงไม่ออกมันก็จะเอามือซ้ายเข้าไปช่วยขาขาหน้าซ้ายของมันเนี่ยนะเอาขาหน้าซ้ายเข้าไปช่วยอ้าวมันก็ติดอีกแล้วปรากฏสองขาหน้าติดหมดเลยทําไงดีดึงดึงดึงไม่ออกก็จะเอาขาหลังขวาเข้าไปช่วย ขาหลังขวาเข้าไปช่วยปุ๊บอ้าวติดอีกดึงไม่ออกอีกทํายังไงก็เอาขาหลังซ้ายเข้าไปช่วยนะคะหลังซ้ายเข้าไปช่วยก็ติดหนึบอีกสุดท้ายสีขานี่ทํายังไงดึงไม่ออกแล้วยิ่งขยับยิ่งติดหนักก็เลยจะเอาปากเนี่ยเข้าไปช่วยปากก็ติดอีกคุณเตใ จ, จมันติดหนึบเลยนะเลยเป็นลิงที่แย่เลยนะจ๊ะคะเป็นเดี่ยงไปเลย <S 1> <S 1> ก็คือจะเป็นไปตามหน้า <S <S ของของนายพรานต่างเดียวเราจะตกอยู่ในแา่ของมารเราจะตกอยู่ในแม่ของมารเพราะฉะเราไม่ทําตามหน้าของตันหาแน่นอน นีคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไม่คิดอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านนอนแล้วก็รอความตายไม่ใช่นะแต่เราคิดเนี่ยไม่ให้เป็นไปตามหน้าของตันหาไงนะตันหานี่มันจะพยายามจะเกี่ยวเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวให้มันเกี่ยวกันนะอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันให้มันมาเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้มีสติอยู่ตลอดเวลาคนที่มีสติก็จะไม่ไหลไปตามหน้าของตันหานะลูกศรเนี่ยพระเจ้าจึงให้หลีกเลี่ยงนะลูกศรเป็นพิษ นะเป็นมีอาบยาพิษพิษของมันแล่นไปตามหัวใจหาไม่เจอเหมือนไข้มาเรียนั่นคืออวิชามันแล่นไปตามกระแสเลือดของเรามันจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจและถ้าจิตของเราไหลไปตามตันหาวิจิตรนี้เราโดนอยู่ทุกทางนั้นะโดยมันที่มาร้อย8ดอกเราก็มองไม่เห็นคือตอนไหนที่เรามีความรักในสิ่งใดอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเราถ้าเรารักในผลงานของเราแต่นะพอมีใครมาพูดไม่ดีกับผลงานเรานิดนึงเนี่ยนะ เราจะจี้ทันทีเราจะปีตขึ้นมาทันทีคุณแต่ใจนึก อ, นะออกนะหรือว่าเราทําผลงานเยอะแยะนะเราต้องได้เลื่อนตําแหน่งหรือเราทาาําะไรปุ๊บนี่ยเราต้องได้คําชมเอ๊ะแต่เรากลับไม่ได้เราก็เจะจี้ทันทีนะคุณถูกลูกศรแทงแล้วตอนที่คุณรักในผลงานของคุณคุณไม่รู้ตัวเจ้าค่ะเข้าใจไหมมันมาออกฤิ์ถูกแทงปุ๊บพิดเข้าทันทีนะพอถูกแทงปุ๊บพิดเข้าทันทียังไม่ออกริ์หรอก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่ง มันเรามาเจอตอนที่เราถูกด่าวเป็นต้นณนะจอนเจอตอนที่เราไม่ได้ตามที่เราปรารถนาเป็นต้นแล้วมันทุกข์มากจริงๆอย่างงี้นะเอ่อนี่คือลักษณะของตันหาที่ที่ว่าเป็นลูกศรณหลีกเลี่ยงเลยละถอนมันออกณนะต้องใช้เครื่องตรวจคื อ, เ, อเครื่องเอ็กซเรย์นะพุช่าเคยยกตัวอย่างของหัวลูกศรเนี่ยเวลาถูกแทงไปแล้วเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวเราใช่ไหมจไเจ้าหัวกระสุนเนี่ยถ้าเราไม่เอาหัวกระสุนออกเนี่ย ต่อให้คุณปิดบาดแผลเนี่ยมันก็จะเน่าเฟะอยู่ข้างในในะสุดท้ายก็ต้องเป็นหนองแตกออกมาอยู่ดีนะจึะต้องใช้มีเครื่องมือตรวจหาหัวลูกศรที่มันฝังอยู่ข้างในนะเครื่องมือตรวจหาหัวลูกศร น, นั่นคือสตินั่นเองนะพอเจอว่ามันอยู่ตรงไหนปุ๊บเอามีดผ่าตัดพามันออกกรีดมันออกนั่นคืออะไรปัญญานะปัญญาในปรสเหมือนพี่ผ่าตัดที่คมกรีดมันออกกรีดมันเสร็จแล้วขูดให้ดีนะใครเคยอะไรมาเคยเป็นอยู่เป็นแผลเนี่ยนะแล้ว เรานั่งรถเดินทางไกลเนี่ยเลือดมันก็ไหลตกไปที่ขาเป็นแผลที่ขาเนี่ยแล้วปรากดเป็นหนองขึ้นมาคุณตือ น, นใจแล้วเวลาหมอก็ทําเนี่ยนะโอ้โหหมอนี่โหดมากอนะเวลาที่เขาล้างแผลเนี่ยแผลจะเป็นหนองนะเขาจะไม่ฉีดยาชาแล้วเขาก็จะเอาเออุปกรณ์ทําแผลของเขาเนี่ยขูดขูดขูดขู ด, ดเหมือนกับคนป่วยเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บนะคะอหมอไม่มีหัวใจหรือเปล่า พอคุยก็ไปให้ออกไป ใ, ให้หมดใช่ใช่ใชคือเ ข, เขาหวังดีกับเราอะนะเจ้ค่ะเจ้ค่ะแต่ถ้าเราฉีดยาชาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าหนังส่วนไหนเนี่ยเนื้อส่วนไหนที่ถูกแบคทีเรียกินเข้าไปใช่ไหมเขาต้องขดงูดขูดขูดล้างเช็ดทาความสะอาดไม่ใช่รอบเดียวคุณตือนใจสมรอบสี่รอบนั่นแหะยิ่งหมอที่มีความละเอียดเนี่ยยิ่งทําบ่อยแล้วไอ้แผลเยอะเยะขนาดนี้เขาไม่ให้นางพยาบาลทํานะเขาจะต้องทําเองหมอนะ เพื่อตรวจดูเนื้อตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยมันต้องขูดต้องล้างต้องเช็ดต้องทําความสะอาดล้างแล้วล้า ง, างอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกทํากันอย่างงั้นนะเพื่อเอาไอ้เจ้าตัวเชื้อเนี่ยออกไปให้ได้นะพิษเนี่ยเรามีพิษเล่นอยู่ในตัวเราเราไม่รู้นะคุณต ใ, ใจคนที่ยังไม่เป็นพนักงานเนี่ยคุณมีเชื้ออยู่ในตัวมันรอวันที่มันจะออกฤทธิ์ตนเองวันไหนที่พิษนี้แล่นเข้าสึงหัวใจคุณเมื่อไหร่เสร็จมัน่คุณจะมีความทุกข์มากเลย เพระ น, นั้นเราจึงต้องรีบที่จะตรวจหาไอ้เจ้าไอ้แผลนี้ก่อนนะว่าแผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็จะรีบเพื่อที่จะรู้ว่า เ, าเครื่องตรวจคือสติใช่ไหมรู้ตรงจุดของมันแล้วปาดออกนะปาดออกล้างเช็ดสายายาให้ดีแล้วก็อยากให้มันไปโดนอะไรอีกนะคือบางคนล้างเช็ดสายายายดีแล้วก็ไม่รู้จักรักษาแผลไปกินของสแสลงนะไปตากลมตากแดดไม่รู้จักเช็ดทําความสะอาดนะก็จะกลับม า, บมาเป็นเดิม เช่นเดียวกันคือคนที่ไปปริบัติธรรมแล้วเนี่ยนะคุณผ่านกระบวนการมีสติศึกษาจิตของตัวเองอรู้จักวิวปัสนาพิจรารณาหาไอ้เจ้าความตัวตนในกายละวางใช่ชื่อว่าว ค, คุณผ่านกระบวนการนี้มาแล้วนะคื อ, อมีสติเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจหาแล้ ว, นะวมีการพิจรารณาเห็นแยกแยะตัวตนนะสมนถาวิปัสนาชื่อว่าคุณเอาไอ้เจ้ามีดผ่าตัดปาดออกแล้วนะพอกลับบ้านไปไม่รู้จัก ร, รักษา ก็เหมือนกับใสา่ ย, ยาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดินไปกินของแสดงเป็นต้นดัะนั้นเร า, เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องคอยรักษาจริตวิรัให้ดีแม้ว่าเราจะออกมาจากการปฏิบัติแล้วก็ตามเนา ะ, ะเช่นมากินพอประมาณไหมคุยแต่เรื่องดีๆไหมรักษาศีลไหมมีคบเพื่อนดีไหมพวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาเจ้าศีรจิตที่เรามีอยู่ได้หลีกเลี่ยงหัวลูกศร อ, อ, อะไรที่จะถูกยิงใหม่เนี่ยอย่ายให้มันโดนคอยหลบให้ดีใเดี๋ยวนี้มันกระสุนมันเป็น m อ็กแล้ว มันยิงมาถึงๆนเปอร์เจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะที่มันถูกยิงโดนยิงกลางหลังถูกกามเคี้ยวกินอยู่ก็ไม่รู้ตัวบางคนนะเพราะนั้นก็จึงต้องต้องเตือนมาพระเจ้าจึงยกอุปมาอุปมนนี้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะก็คือเปรียบเหมือนลูกศรเนี่ยนะเจ้าค่ะใช่ลูกศรนี่นั่นเองเจ้าค่ะทีนี้คิดว่าท่านผู้ฟังเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะคะก็จะขออนุญาตกราบ นมส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ไพบูตรของพิพุโนต่อในคําถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยโยมเองในฐานะเป็นผู้ที่เคย ป, ปฏิบัติธรรมเป็นรู้สิกยของพระอาจารย์ไพบุตรแล้วก็หลวงพ่อดอกอรสะอาดที่โตภาโสด้วยนะเจ้าค่ะก็นึกอยากจะถามปัญหานี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเราจะทราบด้วยตัวเองได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วมันจะมีสัญญาณอะไรแจ้งให้ทราบนะเจ้าค่ะว่าเรา ถึงฌานขั้นไหนแล้วแล้วก็อะไรเป็นอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอันนี้อยากจะขอกราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอรย์ความก้าวหน้าของสมาธิเนี่ยผู้ชอบพูดถึงอิ C, IN นทรีย์คุณใจอินซีเนี่ยคือคือความเป็นใหญ่ในจิตของเราใช่ไหมอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี่คือการปล่อยวางอารมณ์นะมีสิ่งใดมากระทบที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามนะคุณปล่อยวางได้เร็วแค่ไหนนะเอาเร็ ว, เ ร, วเร็วที่สุดเป็นยังไงผู้ชอบเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างเช่นว่าคนที่แข็งแรงที่โกร ในมีกำลังมากขากเสด็จแล้วก็ถุยเพาะลงไปวินาทีระหว่างที่น้ําลายหลุดออกจากปากจนกระทั่งมันกระทบพื้นเนี่ยเร็วขนาดนั้นน่ะนี่คือ อ, อ, อุมาข้อที่1อุมาข้อที่2ก็เหมือนกับไอ้เตากระทะของคนที่ทอดถอยจอไอ้ทอดไอ้เขาเรียกว่าอะไรหอยทอดนะมันเป็นกระทะแบนๆแล้วก็แดงร้อนด้วยนะกระทะเหล็กเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหยดน้ำลงไปหยดหนึ่งปุ๊บ ไอเราเวลาเวลาที่น้ำเนี่ยราเหยกลายไป็ น, ไนเร็วขนาดนั้นอ่ะคุณปล่อยวางอารมณ์ได้นะหรือเวลาที่คนแข็งแรงนักกล้ามใหญ่ๆเนี่ยยืดแขนออกแล้วหดแขนเข้าเร็วขนาดนั้นนะหรือเปลียบเหมือนกับเวลาที่ เ, เรากระพริบตากระพริบตาวับเนี่ยคุณปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วขนาดนั้นไหมอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะอันนี้คือเรียกว่ามีอินรียภาวนาเฉลิสนะนี่คือจุดหนึ่งที่วัดความก้าวหน้าของ ของจริงของเราได้แต่ถ้าเราไม่ถึงระดับนั้นไม่เป็นไรคือหมายความว่าคุณปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วกว่าเมื่อก่อนไหมเวลาเขาาด่าว่าเราเนี่ยนี่คือจังหวะที่เรากระทบอารมณ์ก่อนนะ<ช>วเวลาเขาด่าว่าหรือมีคนมาชมยกย่องสรรเสริญเราลอยฟุ้งขึ้นไปยิ้มแก้มปลื้มนะหรือเวลาเ้าดา่าเนี่ยเราก็หน้าบึ้งตึงหรือเปล่าแตนะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเหวี่ยงมากแล้วนะคุณคุณเหวี่ยงแล้วนะและไอ้ที่เหวี่ยงเนี่ยคุณปล่อยวางได้เร็วขนาดไหนแต่บางทีเมื่อก่อนเวลาคนเขาด่าเราโกรธมากเนี่ย พรุ่งนี้ยังไม่หายโกรธบางทีอาทิตย์หน้ายังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ก็มีอาทิตย์ต่อไปนะค่ะวันนี้ยังคิดถึงเรื่องที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาด่าเราอยู่อย่างเงี้ยโหใช่คุณยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยนะข้ามอาทิตย์มานะพอเรารู้ตัวว่าเราไปปฏิธรรมเให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะจากที่จะยึดถือไว้ทั้งอาทิตย์นึงหรือแค่สามวันอย่างเงี้ยสามวันนี้ก็แย่พอแรงแนะ่าจะมาว่าเจค่ะ <c oughs> หรือจากวันหนึ่งเงี้ยหลือแค่สิบนาทีอย่างเงี้ยนะเขาด่าเราตอนเช้าไปหายโกรธตอนเย็น เ, เขาด่าเราตอนาอนาาดยยยอสกก็หโร่งง ก็ถือว่าดีขึ้นนะจุ๊ค่ะอันนี้คือวัดที่ความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์นะอันที่สองคือวัดที่ความหน่วงความหน่วงที่มันขึ้นไปหรือมันลงมาอย่างเวลาถ้าเราเขาชมเราแมมเราสุข ก, ก็สุขสุขนะเวลาเขาด่าเราทุกข์ก็ทุกข์ทุกขจุ๊ค่ะถ้าหน่วงขึ้นหน่วงลงมากใ น, นนี้แต่ว่ามันไม่ดีนะไอจุดที่มันขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะจุดที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ชื่อว่าดีขึ้น อันนี้คือข้อที่2วัดด้วยที่ความหน่วงเนีนคือหน่วงบางทีหน่วงมากอยู่แต่ปล่อยวางได้เร็วก็ถือว่าไอตัวแปรแรกดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะบางทีหน่วงน้อยลงแต่ว่าปล่อยวางยังได้เท่าเดิมอันนี้ก็ยังถือว่าดีขึ้นนะจ้าค่ะส่วนกรณีที่สามนะที่สามารถวัดได้ก็คือวัดที่ความนิ่งๆของจิตเวลาที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรมากระทบทํางานอยู่เนี่ยคุณมีสติอยู่ตลอดได้ไหมอันนี้ก็วัดความก้าวหน้าของเราได้ แหลายคนที่ไปปฏิบัติมาเนี่ยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าเรายังรู้ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ด้มาคอยเจาะจองจ้องว่าจะดูมันแตถึงไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทั้งวันหรอกแต่บางครั้งเรารู้มีสติ ข, ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมากกว่าแต่ก่อนอันนี้ก็คือเรียกว่าคุณก็มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้นั่นนี่คือลักษณะที่จะวัดได้ตรงนี้3ส่วนทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าแล้วยังไง ทำยังไงถึงให้มันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปนต่ไม่ให้มันถอยหลังกลับลงมาคืออย่างที่ว่าเนี่ยว่าคุณคุณปฏิบัติแล้วคุณทําแล้วคุณพอจะฝึกหัดเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาน่ยมันก็จะจากที่ดีๆน่ยมันก็แย่ลงได้นะของดีเนี่ยมันเสื่อมได้นะสมาธิเสื่อมได้แน่นอนพระเจ้า บ, บอกอยู่ในสังสารวัฏนะอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีสติเหรอต้องดับแน่นอนสมาธิเหรอไม่ต้องพูดถึงไม่เหลือแน่นอน ดังนั้นเราจะรักษาตรงนี้ของเราได้อย่างไรคุณตั้ใจว่าทํำยังไงยมคิดว่าต้องหมั่นฝึกอยู่เรื่อยๆนะจาค่ะท<ช>ำให้พลังจิตของเราเนี่ยมาถึงจิตมีพลังอย่างที่<ช>พระอาจารย์เคยต่อไปเมื่อเมื่อช้าเมื่อวานนะเจ้า<ช>ค่ะก็คือการที่จะต้องหมั่นเพียทรทําต่อดต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในสถานที่หรือว่าอยู่ในที่ที่ดํารงสติดํารงสมาธิของเรา อยู่ได้ตลอดเวลาเจ้าคะ<ช>่ะอย่างที่ข้อแรกที่คุณเลขที่49ได้ถามมาแล้วก็พระอาจารย์ได้ชี้แจงเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องใ น, นการทาบ่อยๆใ น, นการฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างนักกีฬานักมวยเนี่ยอ่อนซ้อมนี่คือเสียแชมป์แน่นอนเจ้าค่ะแต่พระ เ, เราต้องมาอ่อนซ้อมห้ามอ่อนซ้อมตต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราประมาทเราจะพลาดดฉะนั้นต้องอย่าประมาท แต่ต้องคอยฝึกซ้อมฝึกฝนแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะคุณตินใจมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงต่อวันมาทําเหียนไปบางคนเนี่ยต้องการลดความอ้วนจะ ไ, ไปเข้าโรงยิม <Okay. S 2> นะโรงยิมวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเราไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าคุณอยู่ห้องน้ําคุณรู้ลมหายใช้ได้ไหมเป็นต้นนะ <Okay. S 2> คุณกินข้าวอยู่กินคนเดียวนะไม่ได้ว่าตอนนั้นไม่ได้มีใครอยู่ด้วยอา้าวใช้โอกาสนี้รู้ลมหายใช้ได้ไหมแค่นี้เองนะ<ม>หรือว่ารอประชุมระหว่างที่คุณรอประชุมหรืคนอื่นยังไม่มาเฮ้ยทันทีเราจะโกรธ โทรไปด่าเขาเอ่าเราร่วมหายใจได้ไหมอย่างเงี้ยอ่าแล้วก่อนนอนขอสักห้านาทีได้ไหมหรือ10นาทีได้ไหมไหนะอย่าเพิ่งเอ็นกายนอนนั่งอยู่บนเตียงแล้วแหละร่วมหายใจไปก่อนได้ไหมไหนะหรือก่อนตื่นไหนตื่นใช่ไหมตื่นแล้วอ่อตื่นก่อนเวลาจริงๆสัก10นาทีได้ไหมไหนะครึ่งชั่วโมงได้ไหมไหนะเรามาร่วมหายใจแค่เนี้ยชืว่ารักษาแล้วนะะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมากต้องไปบวชชีบวชพระอะไรโอ้ย เอาเราอยู่บ้านเราก็ทําได้ชัวค่ะแล้วเราก็ทําให้เป็นนิสัยอ่ะทําให้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเราก็จะดีดีขึ้นมาได้ของดีดีนะคุณตะใจแมนที่ว่าเนี่ยปุ้นว่าว่าเนี่ยว่าเรามีแหวนเพชรเม็ดโตโ ต, โตสวยงามเครื่องประดับอั ญ, ญมณีเได้นะเราไม่ได้เที่ยวไปใส่เดินตลาดซื้อเกี่ยมฉายนะคุณต่ใจใชัวค่ะเราต้องไปใส่ในงานที่สําคัญตัวนั้นเราจะคอยออยคอยมาเช็ดมันล้างมาทําความสะอาดอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีในการหอ่อการเก็บ เช่นดียวกันจริงของเรานะมันประภัฒสอนอยู่ข้างในนะคุณรู้หรือเปล่าไอ้ที่มันประภัฒสอนอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องจักเช็ดจากล้างจากทําจากให้มันดีอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีสถานที่ที่ไม่ดีเราอย่าไปแต่เราไม่ใส่แหวนเพชรงามๆไปเดินตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมันเสี่ยงแต่ประนั้นไอ้ที่ที่เป็นอักโคจรเราไม่เอาจิตของเราไปหรอกแต่เราอยู่ในที่ที่ดีใช่ไหมที่ที่มีคนคุ้มกันใครเป็นคนคุ้มกันเรา มรรคแปดจะคุ้มกันเรานะมรรคแปดก็ตามที่ที่เป็นสถานที่ที่ดีๆเนี่ยธรรมะเนี่ยแหละคุ้มครองเราศีลเนี่แหละคุ้มครองเราเร า, เรารักษาศีลศีลรักษาเราอย่างนี้นะเราก็จะสบายใจอยู่ได้เนาะจุกค่ะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากทีเดียวเจ้าค่ะอย่างโยมเองนี่ก็นึกว่าหลังจากไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยบางทีพอกลับมาก็ไม่ได้ทําต่อเนื่องยังไม่ได้มีการหมั่นฝึกฝนอย่างที่อาจารย์ได้ได้เมตตาแนะนํามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าจะตั้งใจที่จะทํา ต่อไปอย่างดีที่สุดสุดท้ายไม่ทราบว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก2นาทีนะเจ้าค่ะโยมอยากขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ไพบุตรอภพิพุโหนเจ้าค่ะว่าได้เมตตาที่จ ะ, ะสรุปฝากแง่คิดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิการที่เราจะปฏิบัติตนดํารงตนให้เป็นผู้ที่มีจิตมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เป็นผู้ที่ อ, อยู่ในศีลธรรมอันดีเพื่อความสุขกายสุขใจของเราเองแล้วก็เพื่อสังคมที่ดีขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ต้องเน้นย้าเรื่องของการไม่อ่อนซ้อมนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องมาคอยทําให้ตัวเราเหนื่อยประปรายปปๆ้น ะ, ะมันก็เป็นเรื่องที่เราทําได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอนะไรเราอย่าประมาทอย่าเป็นคนที่ต้องร้อนใจในภายหลังผู้เช่าวาอย่างนี้นะะแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่เพื่อบูชายกย่องคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของเป็นการทําบูชาเพื่อผู้รู้เจ้าอะไรมันไม่ใช่อางนั้นเรายกไปก่อนก็ได้นะเราทําเนี่ยเพื่อตัวของเราเอง นะคุณถ้าคุณกินข้าวทุกวันวันละกี่มือ้อคุณกินเข้าไปในใจคุณก็ต้องได้รับ ก, การต้องการอาหารอะไรเป็นอาหารของจิตนั่นคือสติสติเป็นอาหารของจิตที่จะรักษาให้จิตงเราเติบโตมีกําลังใสสะอาดชุ่มเย็นและเป็นร่มโพชุ่มใสของคนรอบข้างได้ โชคค่ะสาธุจชคค่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ยมคิดว่าดีมากๆสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารารุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาเราจะต้องอําลาจากกันแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันเช่นเคยนะค ะ, ะในรายการธรรมารารุณโดยดิฉันก็จะได้มาสาักษาหรือว่าสนทนาธรรมะแล้วก็ซักถามแทนท่านผู้ฟังจากท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนพราจารย องค์ปาถกประจํำรายการธรรมรัปปุลณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริเก้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งมีการอบรมกันเป็นประจําทุกเดือนแล้วก็มีตารางที่แน่นอนนะคะท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดได้เลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์อะไรนะเจ้าค่ะช่วยกรุณาย้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ w p d h s wp ก็คือว่า ปีเฮจสคือดอนไฮโซกโเจค่ะเจค่ะก็เป็นชื่อย่อนั่นเองนะเจ้าค่ะก็สนใจก็เชิญเลยนะคะเพื่อทําให้เรามีความสุขและก็สังคมก็คนรอบข้างก็มีความสุขอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนได้เมตตาชี้นําไว้แล้วนะเจ้าค่ะก็ขอกราบน้ัพรสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสักการะในชาวันอาทิตย์นี้ กลับมาพดกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกลับนับวัสการและกลับขอบพระคุณเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขะเส้มพานสาธุเจ้าค่ะ